สังคานุสติอนมามยังสังคานุสตินัยังกโรมเซสุปฏิปันโนภะขวะตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว ชูปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติตรงแล้วยายปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ได ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ ว, ลวสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ได้ปฏิบัติสมควรแล้ ว, ลวยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริบุริสายุคานิอัตถาุริสภุคะลาคู่แห่งบุรุษสีค่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะขาวตัวสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโย ο. เป็นสงควรแก่สศ ก, การะที่เขานํามาบูชาปาหุไนยโยเป็นสงควรแก่ศ ก, การะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทางอัญชลี อนุตตรางบุญญาเขตังโลกสาสัตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้